إله الأولين والآخرين وأشهد وا أن نبينا محمدًا أبدُه ورسوله أرسل الله رحمةً للعالمين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مخلصتها وقال تعالى تبارك الزوا وجل نحن نقص عليك أحسن القصة بما أوحينا إليك هذا القرآن إن, إن كنت من قبل من الغافلين وقال ا ل ز ق ا ال ل ب, الر ب الله الر الر أ ا ِระอุบิลาม ش ي, ن ن ى ا ن رت ิมิ م ์ม ا, و. و ا ل ر ر ราะห์มِนุราะห์อิน هل أتاك ح ل ي الغاشية مجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسنارن حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من دارية لا يسمن ولا يغني من جو مجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية ลาทัสมาว์ฟิฮ่าลาหิยาฟิฮ่าไ ة น์ชารีฟิฮ่าศุรุมารฟู่งแ و ะขวับมัดู่งและนมาร์คุมัสฟู่ฟะและราบิยุมาบัตุซาศัตาชนที่รักศัตาชนผู้สัตาต่อพระลอสุบฮานะฮวตาลที่รักทุกท่านครับเรากลับมา ศึกษามาทำการพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงของการอาธิบายอัลกุรอานยุสอมในช่วงของส ah ุร่าอัลกอร์เชียวันที่ปกคลุมซึ่งก็อย่างที่เราได้พูดคุยไปแล้วว่าความหมายของคาว่าปกคลุมครอบคุมนี้มีในยะที่ทำความเข้าใจได้หลายมิติ ในซัรอเชียครับเป็นอีกหนึ่งในสุรที่พ่อลอสุบฮานหัวตาได้อธิบายให้มุสลิมนั้นได้ตระหนักถึงเป้าหมายการมีอยู่ของตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วก็สอนมนุษย์โดยเฉพาะมุสลิมให้ได้รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงแล้วก็อะไรคือความทุกข์ที่แท้จริงในช่วงแรกเราได้พูดคุยไปแล้วครับในช่วงแรกๆของสุระเราได้บอกแล้วว่าการปกคลุมในที่เนีย ถ้าเราใช้ในความหมายของผู้ไปเสดสัทธาก็หมายถึงการลงโทษที่จะปกคุมบรรดาชาวนรกโดยที่ไม่มีทางเด็ดลอดไปได้ประการแรกคือเป็นการลงโทษที่ครอบคุมที่ไม่มีใครที่จะหลุดหนีไปได้จะหาที่หลบหาช่องว่างหาเวลาหยุดพักไม่มีเลยมันปกคุมทาาทบมาตลอดเวลาอันนี้คือกอร์เชียในควมหมายที่หนึ่งสหรับชาวนรกความหมายที่2ก็คือในเรื่องของ ที่ว่าปกคุมครอบคุมนะครับในเรื่องของการลงโทษเนี่ยหมายถึงเป็นการลงโทษที่ครอบคลุมในทุกมิติถ้าพูดถึงเรื่องการลงโทษถึงความเจ็บปวดของร่างกายก็โดนทั้งภายนอกแล้วก็ดูทั้งภายในอย่างที่พวกเราได้พูดคุยกันไปแล้วภายนอกก็คือไฟนรกที่พรอ ส, สรุปใช้คําสั้นๆเนรุหามิยะคือนรกก็คือไฟอยู่แล้วมันก็ร้อนก็รู้ถึงความทรมานอยู่แล้วแต่หามิยะที่ยลดโทษช่วงที่ว่ามันจะมา แผดเผาทุกอย่างที่ขวางหน้ามันยิ่งเป็นการบอกย้าให้รู้ว่าไฟนรกเนี่ยไม่ใช่เป็นไฟธรรมดาๆเหมือนไฟในดุนยาไฟในดุนยาที่ถูกสร้างมาที่ถูกล้างน้ามาแล้วไม่รู้กี่สิบรอบไฟที่เราใช้ในดุนยาเป็นไฟที่ถูกสร้างมาเพื่อเป้าหมายที่หลากหลายเพื่อให้หมนุษย์ใช้ประโยชน์ในหลายๆมิติมันเป็นไฟที่ไม่ใช่ไฟที่ถูกสร้างเพื่อการลงโทษ ในขณะที่ไฟนรกนั้นเป็นไฟที่ถูกสร้างมาเพื่อการลงโทษโดยเฉพาะเพราะนั้นแค่โดนจากภายนอกมันก็โดนไปถึงภายในโดนทั้งหมดเลยอย่างที่เราทราบครับบุคคลที่โดนลงโทษเบาที่สุดที่เขายืนบนหินที่ร้อนละอุร้อนถึงท่านว่าสมองเดือด ก, ก็เป็นการลงโทษที่ปกคลุมในภายนอกก็โดนหมดเลยจนถึงสมองเดือดภายในไปหมดพอไปหมดปุ๊บ ก, กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อที่จะได้ถูกลงโทษต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่การนั้น ภายนอกที่โดนไปถึงภายในเนี่ยกับมีการลงโทษที่มันโดนเน้นเฉพาะภายในจมเพาะอีกเช่นน้ําเลือดน้ําหนองที่กินไปก็มีแต่ความเน่ามมีแต่ความสอิสเอียนกินเข้าไปข้างในเกิดอาการเป็นพิษกับร่างกายข้างในยังมีน้ําเดือดที่เทไปไม่ต้องพูดถึงว่าความร้อนมาจากขนาดไหนพี่น้องลองถ้ามีโอกาสนะเอาซุปต้มต้มให้มันเดือดเดือดเดือดเดือดเดือดเดือต้มนา น, านๆต้มสักหนึ่ชั่วโมงต้มสักหนึ่งชั่วโมง แล้วพี่น้องแค่ดูไอของมันไม่ต้องลองเอาเข้าปากนะพี่น้องยิ่งต้มนานเนะี่ยมันยิ่งเดือดท่านยิ่งทรมานสุดๆถ้าเกิดว่าเผอจิบเข้าไปผมแค่ให้ต้มนานๆเพื่อพี่น้องจะได้ดูว่ามันร้อนขึ้นมันร้อนขึ้นมันร้อนขึ้นอันนี้คือความร้อนที่ไม่ใช่ถูกสร้างเพื่อลงโทษมันน่าสะพรึงกลัวขนาดนี้แล้วไฟนรกเราไม่จำเป็นต้องลองไฟนรกเพื่อที่จะได้รู้วมันร้อนขนาดไหนไม่จาเป็นต้องลอง แต่มันเป็นการรท้ที่ว่าภายนอกก็ครอบคุมหมดแล้วแต่ยังมีภายในที่ต้องดื่มเข้าไปอีกไม่ใช่แค่ดื่มเข้าไปที่มันจะทําลายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องยังมีอาหารที่เป็นต้นรักภูมิอีกต้นหนามที่กินเข้าไปปุ๊บมันไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ทําให้หายหิวด้วยมันไม่ช่วยทําให้รู้สึกดีด้วยเพียงแต่มันหิวแล้วมันต้องกินเพราะมันหิวเกินที่จะตายแล้วแต่มันไม่ยอมตายมันก็เลยต้องหาอะไรกินพอกินปุ๊บมันก็ไป ทิมแทงทําลายทุกอย่างที่มันผ่านไปเป็นการลงโทษที่ครอบคุมไม่ใช่ครอบคุมแค่นั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความเจ็บปวดที่สัมผัสได้รวมไปถึงในเรื่องของจิตใจโดนทุกรูปแบบเลยตั้งแต่โดนลากหน้าไถไปกับแผ่นดินแล้วก็แลกุกโยนลงไปในไฟโนรกทั้งคําพูดที่พูดเป็นการตอกย้ําว่าเห็นไหมทําไมเจ้าถึงไม่ใช้สิปัญญาแล้วเจ้ามีปัญญาทําไมเจ้าไม่ใช่ เป็นการดูถูกที่มาจากอิบลิสด้วยที่บอกฉันเนี่ยเอาล้อสัญญาไว้เอาล้อสัญญาไว้เป็นความจริงแต่ฉันที่สัญญาก็สัญญาไปมดเทสนั่นแหละที่ฉันพูดหลอกหลอนให้เจ้ากลัวดุนยากลัวความยากจนกลัวความทรมานกลัวความเหน็ดเหนื่อยกลัวความสูญเสียที่ฉันสัญญาว่าทุ่มกับมันสี่เจ้าจะมีความสุขฉันโกหกแต่เจ้าโทษฉันไม่ได้นะเพราะฉันไม่มีสิทธิ์บังคับอะไรเจ้าเอาล้อไม่มีความสามารถฉันเลยฉันทําได้แค่พูดแค่ไปล้าง ความคิดในจิตใจให้เรามีแต่ความคิดชั่วชั่วมาทำแค่นั้นมาบอกเฟราตาลูมูนีเฟลรูมูอังคุสกุมจะโทษใครก็โทษตัวเองอย่ามาโทษฉันเป็นการลงโทษที่รอเชียครอบคลุมในทุกมิติทุกด้านทุกความนึกคิดหรือพูดได้เลยว่าเกินจิตนาการครับเพราะฉะนั้นเทียบกับความทรมานในดุ n y าพี่น้องว่าพี่น้องชาเราไปเทียบกับมันละไม่มีหรอกโดนนรกแค่วิเดียวเทียบไม่ได้เลยกับความทรมานตลอดชีวิตในดุ n y าที่พี่น้องเจอ พี่น้องเจออะไรมาบ้างผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าที่พ่อลอสุบาโนระนหัวตาลาเตือนพวกเราไว้คือความทรมานของไฟนรกเนี่ยแค่วิเดียวที่ได้ไปอยู่ในไฟนรกเนี่ยมันจะทำให้ความสุขทั้งหมดที่มีในดุนยาเนี่ยกลายเป็นศูนย์ทันทีเหมือนไม่เคยสุขเลยเหมือนมีแต่ความทุกข์เพราะนั้นเกินจิตนาการไหมครับนี่คือความหมายของคาว่าอัลกอชิย ที่มันจะครอบคุมที่มันจะไม่มีทางที่ใครนั้นจะหนีพ้นไปได้แล้วเมื่อถูกลงโทษจะถูกลงโทษในทุกมิติเพราะฉะนั้นครับเมื่อการลงโทษน่าสะพรงกลัวขนาดนี้แล้วการตอบแทนล่ะมันไม่ยิ่งตรงค่าแบบสุดกูเลยเหรอการตอบแทนในสวงสวรรค์ที่พระลอสซูบาโนตราเตียไว้ให้กับพวกเราทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ เป็นความศรัทธาที่เกินจินตนาการเช่นเดียวกันเมื่อชาวนรกโดนทั้งภายนอกภายในชาวสวรรค์ยิ่งกว่านั้นทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดทั้งในเรื่องของความรู้สึกทั้งในเรื่องของตาที่เห็นทั้งในเรื่องของหูที่ได้ยินทั้งเรื่องของลิ้นที่ได้สัมผัสรสชาติได้ดิ้มรสชาติทั้งเรื่องของร่างกายที่ได้สัมผัสความผาสุกในดุนยาก็เกินของเกินของเกินจินตนาการถึงขั้นที่ว่า ทุกความทุกทรมารในดุนยาจะกลายเป็นศูนย์ทันทีเมื่อเราเมียโอกาสได้เข้าสวรรค์แม้เพียงแค่ช่วงพริบตาเดียวโฟลกล่าวว่าครับวูจูฮุยยาอมาอีดินนาอิมาโฟลสสรุปด้วยคำสั้นๆนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยก็จะมีหลายใบหน้าที่มีความมืดปิติ มีความสุขสมปรากฏอยู่ในใบหน้านั้นพี่น้องสังเกตไหมครับในดุนยาเนี่ยเวลาคนทุกข์มากๆเนี่ยเราสังเกตได้จากไหนครับสังเกตได้จากใบหน้าเขาสังเกตได้จากดวงตาของเขาคนที่ลําบากกับชีวิตมามากมืออาจจะหยาก้านเท้าอาจจะหยาบก้า น, าาาาานแต่จุดที่มันจะเด่นชัดที่สุดก็คือใบหน้าใบหน้าจะทุกจะเครียดซึ่งต่อให้คนบางคนงานหนักแค่ไหนแต่ถ้าเขามีความสุขแล้วดูใบหน้าเขาเราก็จะเห็นว่าใบหน้าเขามีความสุข จุดเริ่มต้นของความสุขมาจากใจออกมาที่ตาจุดเริ่มต้นของความทุกข์มาจากใจแล้วก็ออกมาที่ตาเช่นเดียวกันเพราะนั้นครับในใบหน้าจะเห็นชัดเจนซึ่งในสุรโกรชีพวกรก็ได้บอกให้รู้ครับคนที่มีความทุกข์ดูจากใบหน้าของพวกเขารู้เลยดูจูยอยไม่สิน่นคอเชอยรู้เลยความทุกข์รู้เลยว่าอะไรหรอกเขาอยู่ส่วนคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่ดุนยาดูเหมือนจะเหนื่อยมนะันกมาก ยากินแสนเข็มมาเยอะวูจูฮยอมยินนาอมาใบหน้าต่างๆในวันนั้นที่จะมีความผาสุมีร่องรอยของความปวดปานอยู่ในใบหน้านั้นลีซายิฮารอดิยะที่เขาเหน็ดเหนื่อยมาในดุนยาเนี่ยเขาพึงพอใจที่ย้ำหลายรอบนะครับดุนยายังไงมันก็ต้องเหนื่อยทุกคนต้องเหนื่อยจะศรัทธาต้องเหนื่อยไม่ศรัทธาก็ต้องเหนื่อยมันมีด้านที่เหนื่อย แต่ละคนเหนื่อยไม่เหมือนกันเหนื่อยคนละมิติเหนื่อยคนละด้านเหนื่อยใจเหนื่อยร่างกายเหนื่อยอะไรก็ตามแต่แต่ว่าความเหนื่อยก็มีสองอย่างอย่างที่ย้ําเป็นประจำมิเลตุนนาซุยบาเหน็ดเหนื่อยยากเย็นแสนเข็นที่โลกหน้ามันไม่มีประโยชน์เลยเหนื่อยเปล่าครับลิซาอีฮารอดิอาความเหน็ดเหนื่อยที่ว่ามันเห็นมันเห็นผลรู้สึกปลื้มปิติในความ เหน็ดเหนื่อยของตนที่ตนเองนั้นได้เหน็ดเหนื่อยมาในดุนยาพี่น้องที่ ร, รักพระพุบธสุภาราได้อธิบายความผาสุกไว้ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเท่าที่เราจะเข้าใจได้เพราะพี่น้องอย่าลืมนะทั้งความผาสุกและความทุกข์ทรมานในอะเคโรสเนี่ยชื่อบางอย่างอาจจะตรงกับดุนยาแต่มันเทียบกันไม่ติดเลย เช่ยวในสวรรค์ครับพ่อเบลล์ก็ได้อธิบายเท่าที่สติปัญญาของเราจะรับรู้ได้คือใครอยากรู้มันเป็นยังไงต้องไปสัมผัสเองถึงจะรู้จริงๆแต่ในอัคคูรานก็คืออธิบายเท่าที่หัวของเราจะเข้าใจได้พออธิบายว่าไงครับฟีเจเนตินอาริยาผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อเขาอยู่ในสวรรค์เนี่ยดูใบหน้าก็รู้เลยถึงความผ่าสุขที่เขาได้รับมีแต่ความอิ่มเอิมมีแต่ความสุขพึงพอใจกับความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมา ซึ่งเขาจะอยู่ในสวนสวรรค์ที่สูงพี่น้องคนที่ได้อยู่ในสวรรค์ชั้นต่ำที่สุดเนี่ยเขาได้ยิ่งกว่าดุนยาสองเท่ายิ่งกว่าดุนยาที่มีทั้งหมดความผาสุกที่จะมอบให้กับคนได้เนี่ยเขาได้คนเดียวของทั้งหมดที่มีความผาสุกในดุนยาพี่น้องตอนนี้ในดุนยาเราแชร์กันถูกไหมครับหนึ่งดุนยาที่เราอยู่ร่วมกันเป็นพันล้านคนเนี่ยเราแชร์กันระหว่างคนระหว่างมนุษย์ระหว่างยินระหว่าง สิ่งสาระสั์ต่างๆเราแชร์กันแต่โลกหน้าเนี่ยหนึ่งดุนยาเต็มๆให้กับคนคนเดียวไม่ใช่แค่หนึ่งดุนยาด้วยเป็นเทียบเท่าสองดุนยาให้กับคนคนเดียวที่เป็นชาวสวรรค์ที่ได้อยู่ในสวรรค์ชั้นที่ถือว่ามีความสุขน้อยที่สุดแล้วแต่เขาได้รับความสุขที่เหมาะสมรับทุกสิ่งเนี่ย ในดุนยาเขาได้ขนาดนั้นพี่น้องว่าจะขนาดไหนพื้นแผนดินที่กว้างใหญ่ไพศาลที่มันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาดูไปมีแต่สิ่งที่มันสบายตามีแต่เสียงที่ฟังแล้วรู้สึกมีความสุขมีแต่อะไรที่ทำให้ชื่นตาชื่นใจมีหัวใจมีความสุขแล้วเขาอยู่ในส่วนส่วนที่สูงอ่ะพี่น้องอยู่ในที่สูงที่ว่ามีความผาสุกลายร้อมแล้วเขาก็มองเห็นลัษณีแทบจะทั้งหมดที่เขาได้รับความผาสุก ดูไปตางไหนก็มีแต่ความสุขดูตรง น, นี้ก็มีความสุขดูตรง น, นั้นก็มีความสุขดูข้างหลังก็มีความสุขแล้วไม่อยู่ที่ตำ่ำอยู่ที่สูงยิ่งสูงยิ่งเห็นไกลแล้วพี่น้องคิดดูครับเห็นไปสุดลูกหูลูกตามีแต่ความผาสุขมีแต่สิ่งที่เป็นความสะดวกสบายมีแต่สิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับเราโดยเฉพาะแค่คําว่จาร e n นั่นอาลียะ แค่คำนี้คำเดียวพี่น้องสุภานอัลลอฮ์ถ้าใครมานั่งคิดเนี่ยเขาก็จะมีความยินดีแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าออดุจยาโดนทดสอบเออมันก็แค่ดุจยามันหนักจริงๆแต่มันก็แค่ดุจยาเนี่ยแต่สิ่งที่รออยู่ทำไมเราไม่รอล่ะทำไมไม่อดเปรี้ยวไว้กินหวานเหมือนกับดุจยาเราอดทนได้ <c oughs> เราอดทนเรียนวิญญาเป็นสิบ ส, บสบปีได้เพื่อที่จะมาทํางานเพื่อที่จะบางทีอาจจะสุกหรืออาจจะไม่สุกก็ได้ทําไมเราไม่อดอีกสักหน่อยเพื่ออัลลอฮฺเพื่อไปอยู่ในสถานะนี้แหะที่ว่าสุดลูกหูลูกตามีแต่ความสุขมีแต่ความสะดวกมีแต่ความสบายใจมองเห็นอะไรก็ตามที่ดูนาด่าอร่อยอร่อยนกนี้น่าจะอร่อยนะแค่คิดมันก็มาเป็นอาหารให้เราได้รับประทานพอเรารับประทานเสร็จมันก็กลับกลายไ ป, ไปเป็นนกบินต่อ มีแต่ความผาสุกไม่มีการขับถ่ายไม่ต้องไปกลัวใครจะเป็นลิซซี่ใครจะท้องผูกใครจะท้องเสียทานอาหารไม่มีการขับถ่ายไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีอะไรเหม็นหรือไม่ดีให้ได้เห็นเลยฐานอาหารเสร็จปุ๊บ ก, ก็ออกมาเป็นเหนื้อที่มีความหอมอยู่กับครอบครัวอยู่กับกุ่มคนที่พปรเตรียมให้กับเราโดยเฉพาะ และยัสมาวูเนี่ยฟี่ฮาลักโบว์ว่าแหละแต่ที่มาอิลากีแลนซาลามันซาลามาไปตรงไหนก็มีแต่คำพูดดีๆให้เรื่องหงูให้เรื่องใจให้ได้ฟังโพลล่ากต่อมาครับหลังจากที่บอกว่าฟี่เจนเนตินแอร์ลียาโพลล่ากาเนี่ยนะครับและดัสมาฟี่ฮาลาริยาพี่น้องเคยไม่รับพี่น้องบางทีเนี่ยเราอยากจะอารมณ์ดี วันนี้เราอยากจะอารมณ์ดีอยากจะมีความสุขอยากได้ไดพูดคุยกับคนที่เรารักตื่นมายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ไม่ได้ยินเรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีเรื่องที่ฟังก็มันไม่เข้าหูคำดา่าคำนินทาเสียสีหรือว่าข่าวร้ายบางทีวันทั้งวันเนี่ยเศร้าไปเลยพี่น้องเคยไหมล่ะคืออยากจะมีความสุขเนี่ยแต่บางทีประโยคเดียวมันทำให้วันของเราเป็นวันที่แย่ไปเลยในสวรรค์ไม่มีตัดทิ้งไปได้เลย ลายสมอฟีแฮแลเรียไม่ต้องแค่เรื่องที่ทำร้ายจิตใจเรื่องไร้สาระไม่มีเลยมีแต่เรื่องดีๆให้ได้ฟังนอกเหนือไปจากนั้นครับฟีแฮไอนุนแาเรียในนั้นมีทานน้ำที่ไหลในครุรานครับจะมีการพูดถึงทานน้ำที่ไหลเยอะมากเลย เช่นเดียวกับในฮะดซท่านนบีมุสลิมที่ได้อธิบายไว้เรายังไม่ต้องไปถึงที่ท่านนบีพูดพี่น้องเรามารรจิตนาการตามถ้าเกิดพี่น้องมีบ้านแล้วบ้านของพี่น้องนะ่มีสวนที่ใหญ่สุดลูกหูลูกตาและในบริเวณบ้านของเราเนะี่ยมีทานน้ำไหลผ่านโอ้สุดยอดอยู่สุดยอดความุดงามแล้วเรามาคุยกันทานน้าที่ พ Allah ราะอัลลอฮ์ทรระานกาวไว้ที่ท่านอบีกล่าีกาวไว้เรามาดูแค่ในสุรษมุฮัมมัดกันฟีฮอันรุมิอิ غير อาสิ و อันารุนมินม غ ي ر ط ع م و و أ ن ه ا ر م ن خ م ْ ل س ت ل ش ر ب ي ن و ن ه ا ر م ن س ل م ف ที่บกราในุรานครับทานน้ำที่บอร์เนี่ยไ ม, ไม่ใช่แค่ทานน้ำสายเดียวนะมีทานน้ำที่มากมายหลายสายอยู่ในสวนที่ ใหญ่สุดลูกหูลูกตาที่พ ร, ร่อเตี้ยไว้ให้กับพวกเราผู้ศรัทธาต่อปวงพ่ะเลี้ยบอกมีอะไรบ้างครับในทานน้าน้ำเนะ่ยมีทานน้ําที่มันจะไม่มีวันเน่าเสียน้ําบริสุทธิ์ที่จะบริสุทธิ์อยู่งั้นตลอดไปพี่น้องเคยไปดูวิวอย่างเมืองนอกไหมบางเมืองที่บ้านเมืองเขาสะอาดแล้วมีทานน้าไหลแล้วมันใสสะอาดเนี่ยดูแล้วดดรู้สึก ด, ดีไหมรู้สึกดีถ้ามันเป็นของเราล่ะ แล้วเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเน่าไม่มีวันเน่าตลอดการจะใสจะดูดีอย่างนั้นไปตลอดว่าอันฮาร์ไม่ใช่มีแค่าทานน้ำใสสะอาดนะอันฮารุมินและบานินทานน้ำที่เป็นทานน้ำนมที่ไม่มีวันเปลี่ยนรสชาติจะไปไหวกี่ครั้งรสชาติเหมือนเดิมเราเคยไหวน้ำกันใช่ัหมครับบางทีไหวน้ามีการสำลักน้ำ น้ำเค็มมั่งน้ำหม็นมั่งน้ำอะไรมั่งตรงนู้นบางทีไม่รู้มีเชื้อโรคมีอะไรบ้างแต่นี่เป็นทานน้ํานมที่ดื่มได้แล้วก็ดื่มได้ตลอดการพี่น้องจินตนาการออกไหมจะเอานมมาหมดโลกมาเทเพื่อให้เป็นทานน้ําแป๊บเดียวมันก็เน่าแล้วนะแต่นี่เป็นทานน้ํานมจริงๆที่ไม่มีทางเปลี่ยนรสชาติแล้วอย่างที่บอกครับรสชาติของซุกอย่างที่อยู่ในสวรรค์ต่อให้ชื่อตรงกับในดินยา รสชาติต่างกันคนละโลกเลยนมในดุมยาบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะว่าหมินบางคนอาจจะว่าอะไรก็ตามแต่ในอะคีรัตเป็นนมที่ทุกคนมีแต่ความพึงพอใจทานน้ําขาวที่สะอาดที่รสชาติไม่มีวนเปลี่ยนวะอันหารูมินคอมรินลัสติลิชาลีบินแล้วก็ทานน้าสุราโดยเฉพาะผู้ศรัทธาครับ คนที่ไม่เคยชิมเหล้าสุราเลยเราสงสัยไม่ว่าทําไมคนมันติดสุรากันได้มันอริดอร่อยตรงไหนพวะว่าบอกในอคัครโพธิ์ว่าเตรียมเหล้าสุราไว้ให้กับพวกเราทุกคนเป็นสุราที่ไม่มีข้อเสียในดินยาเนี่ยพระว่าบอกว่าไงครับเกี่ยวกับสุราพวะเราบอกว่าประโยชน์มันก็มีนะแต่โทษมันเยอะเพราะโทษมันเยอะมากมายมหาศาลมันเลยเป็นฮารอมถึงมันจะมีคุณแค่ไหนก็ตาม มีน้องของบางอย่างเนี่ยต่อให้มันมีข้อดีอยังไงก็ตามถ้าข้อเสียมันมากมายมหาศาลเราก็ไปไม่ไปยุ่งกับมันถูกไหมครับอย่างเช่นกฎหมายอย่างในโลกปุิญญาเนี่ยอย่างเวลาเราจะขับมอเตอร์ไซค์กฎหมายบอกว่าไงครับคุณต้องใส่หมวกกันน็อกนะถามว่ามันเกิดอุบัติเหตุเยอะหรือเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางคนตลอดชีวิตไม่เคยเกิด อ, อ, อุบัติเหตุเลยจะมีใครบอกไหมครับนั่นฉันไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกใส่ไปมันก็แค่นั้น ไม่ทำไมเขากำหนดว่ามันจำเป็นต้องใส่หมวกกันน็อกครับเพราะโอเคอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้เกิดกับผู้คนไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกเราหลายปีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยการไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอ่ะมันสูงบางทีสมองไหลด้วยซ้ําพี่น้องบางเคสอ่ะคือถ้าเกิดมันหนักเลยไงเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครบอกว่าโอกาสเกิดมันน้อยไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกไหม ถึงมันจะน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดปุ๊บมันเป็นอันตรายใหญ่มหาศารเขาเลยบอกว่าคุณป้องกันไว้เถิดบางทีเขาก็พูดแซวกันเล่นอย่างน้อยเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปตามเก็บสมองเวลามันเลอะถนนมันล้างยากอย่างน้อยให้มันอยู่ในหมวกกันน็อกอันนี้คือเขาพยายามพูดให้มันรู้สึกเบาแต่จริงๆแล้วก็คืออยากให้รู้ว่าเวลาเกิดอันตรายมันอันตรายจริงๆเพราะฉะนั้นใส่หมวกกันน็อกเถิดมันปลอดภัย กับตัวเรากับคนที่อยู่เบื้องหลักพวกเราเพราะนั้นเรื่องบางเรื่องอ่ะครับเราไม่ได้รู้มันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนแต่เราดูว่าเกิดขึ้นแล้วมันมันจะเป็นประเด็นแค่ไหนเพราะนั้นสุลาก็เช่นเดียวกันครับต่อไปมันมีข้อดีแค่ไหนแต่ข้อเสียของมันมันหนักเกินกว่าที่จะแลกมันไม่คุ้มอะครับมันไม่คุ้มแต่ในสวรรค์ข้อเสียทั้งหมดของสุลาไม่เหลือเลยมีแต่ข้อดี แล้วเป็นทานน้ำที่ใหญ่โตมโหฬารด้วยพี่น้องของใครของชาวสวรรค์ที่มเตรียมให้กับเขาเฉพาะของใครของมันเลยว่าอันห้ารุ่มินอสัสซลินมุซอกฟาสามทานน้ำไปแล้วนะน้ำใสบริสุทธิ์ไม่มีวันเน่านะน้ำนมที่จะสะอาดไม่มีทางเปลี่ยนรสแล้วก็สุราที่ไม่มีข้อเสียเลยทานน้ำที่สามครับว่าอันห้ารุ่นมินอสัสาลินทานน้ำพึง่ง หมูซอ ฟ, ฟที่ใสบริสุทธิ์น้ำพึ่งที่สีเราดูแล้วมันสีใสแล้วว่ายไปปุ๊บไม่มีความรู้สึกเหนือ่อยเหนีดหนือไม่ได้เหนียวไม่ได้ติดคืออะไรที่ไม่ดีไม่มีเลยมีแต่สิ่งที่ดวีว่ายไปกินไปพี่เรองคิดดูไม่ต้องกลัวดุนยาว่ายไปล้วต้องพยายามปิดปากใช่ไหมกลัวจะตื้นน้ำเข้าไป แต่โรคหน้าคือว่ายน้ําแบบคืนไปเต็มที่อะไเงีไม่มีนไม่มีตายไม่มีเสียงเสงเสียชีวิตไม่มีข้อเสียแล้วก็คืนไปก็อร่อยไปจะเป็นการดําปุดดําว่ายที่มันจะรู้สึกขนาดไหนซึ่งในฮาดิสเนี่ยในบันทึกขอมม่อยหม่ำฮิบฮิบบานเนี่ยท่านอบีมูฮ์มสรรัสลีซาร์บบอกว่น า, าน้ําต่างๆของสวรรค์นเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันมันไหลมาจากภูเขาที่ มีแต่ความหอมหวนเหมือนกับกลิ่นชมพูเชียงอย่าลืมนะพี่น้องบางคนอาจจะบอกฉันเหม็นสาบเหม็นนั่นเหม็นนี่โลกหน้าไม่มีความรู้สึกด้านลบคือหอมแบบหอมจริงๆที่มันไม่รู้สึกแย่เลยหอมที่แบบดมได้ตลอดการพี่น้องแล้วทานน้ําที่ออกมาจากภูเขาอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงครับซึ่งพ่อว็อกก็ได้อธิบายว่าเมื่อทานน้าเป็นอย่างนี้ทานน้าคือจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตถูกไหมครับน้ําคือจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิต จากแหล่งน้ำเนี่ยที่มันเกิดเป็นพืชพันธุ์พืชผลผลไม้บางที่ทำไมอร่อยกว่าบางที่เกี่ยวกับแร่ธาตุที่มันได้ไงเกี่ยวกับน้าที่มันได้ไ ง, ไไงแล้วสวรรค์ น, นี่ยพื้นแผ่นดินดีงามรดงามทานน้ำเกินจินตนาการแล้วผลไม้ที่ออกมาจากแผ่นดินที่มีทานน้ำที่เกินจินตนาการเนี่ยรสชาติของมันจะเป็นยังไงพี่น้อง พเพราะกาในคุ่านว่าครับเอาจะคูนละกันชะุมินนคลวะอิน บ, บิวตฟัรตฟัรอนฮาร์ขีะฮตฟชรผู้เผยเสสดาในดุนยาที่เขาย่อเ ย, อเยอ้ยนบีเนีบบ่ยเขาบอกเนี่ยมูฮัมหมัดาจะเป็นเราซื่จริงทาไมจะไม่มีความเป็นสุขที่ผาสุขละ่ะทไมเจ้าไม่มีท่าน้าหลากหลายละ่ะทาไมไม่มีต้นไม้ที่หลากหลายชากาฟเฟ ก, ก็มองว่าความผาสุขหนึ่งก็คือการครอบครองทาน้าที่หลากหลาย แล้วก็อย่างที่บอกครับจุดเริ่มต้นของชีวิตคือน้ำน้ำในสวรรค์มันขนาดนั้นแล้วที่เหลือจะขนาดไหนพเพราะว่าข่าวต่อครับปีฮาซูรุรุมมัรฟูอันหลังจากที่ว่าอยู่ในที่สวนที่อยู่สูงมีตาน้ำต่างๆมากมายไม่ได้ยินเสียงอะไรที่มันไร้สาระสิ่งที่ทำไม่รู้สึกแยก พีฮาซรุรมารฟัวในสูงสวรรค์ น, นั้นจะมีเตียงมากมายที่ถูกยกสูงขึ้นไปอีกสูงของสูงอ่ะพี่น้องสถานที่สูงสูงใครก็อยากไปอยู่ถ้าอยู่แล้วมันสบายมันเห็นมันทุกเห็นทุกวิวอย่างพี่น้องถ้าพี่น้องไปเปิดโรงแรมอ่ะโรงแรมหรูหือดาวสี่ดาว5ดาวเนี่ยยิ่งชั้นสูงยิ่งแพงเพราะเขาจะถือว่ายิ่งวิวยิ่งเห็นเยอะ ยิ่งชั้นบนสุดในบางทีพักไม่ได้คนธรรมดาไม่มีสิทธิ์พักหรือบางทีเจ้าของสนวนไว้ให้ตัวเองที่เขาเรียกท็อปวิววิวสูงสุดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ชาวสวรรค์จะได้พำนักในท็อปวิวทุกคนแต่พี่น้องเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วก็มีเตียงที่มากมายให้เราได้เอกนิเอได้นอนเล่นได้นอนจริงมีที่นอนได้อิงเองดูแล้วก็มีนางฟ้าคอยปฏิบัติมีเด็กสวรรค์คอยรับใช้ มันจะเป็นชีวิตขนาดไหนอะพี่น้องพี่น้องไม่ต้องอะไรมากแค่ในดุนยาเนี่ยมีพ่อบ้านมีแม่บ้านถึงเวลาปุ๊บเอาอาหารเช้ามาเสิร์ฟให้ถึงที่นอนเขาก็มองว่าเนี่ยสุขสุดๆแล้วแต่ในสวรรค์มันมันยิ่งกว่านั้นนะครับทั้งอาหารทั้งการกินทั้งคนที่ดูแลทั้งคนที่ปฏิบัติเราได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งที่เกินจินตนาการและความผาสุกที่เกินจินตนาการ ข้อละกาญจกูอ่านยังไงครับหุ้มวะอัจวะจุหุ้มฟีดีล่าลินอาลัลอารออีกี่มุ ต, ตกี่อุนในรรคยาสินครับที่พี่น้องหลายท่านน่ะขึ้นจำจนขึ้นใจแล้วชาวสวรรค์กับบรรดาคู่ครองของพวกเขาโอ้สบายเรายิ่งเป็นผู้ชายยิ่งจินตนาการเห็นภาพเลยมีผู้หญิงมากมายล้อมหน้าล้อมตาบางคนบอกทําไมเนี่ยมาพูดถึงแต่เรื่องอย่างนี้นี่คิดถึงแต่เรื่องอย่างนี้เหรอคิดถึงแต่เรื่องเซ็กคิดถึงแต่เรื่องสกปรกนะ เซ็กไม่ใช่เรื่องโสกโปกนะถ้าใช้ในเรื่องฮาลันมันคือสิ่งที่ดีงามแล้วถามว่ามีใครบ้างที่ไม่ชอบอ่าคนที่ปากอ่ปากอ่มือถือศาสตร์ปากถือศิล น, นะนะมีใครบ้างที่ไม่อยู่กับเรื่องพวก น, นี้ถึงเวลาชอบแล้วก็ชอบแบบสกโปกอีกตั้งหากแต่อิสลามลราส่งเสริมให้ชอบเรื่องนี้อย่างสะอาดมีคู่ครองก็ต้องเป็นคู่ครองที่สะอาด ผ่านการรับผิดชอบดูแลไม่ใช่ฟันทิ้งฟันคว้างเพื่ะนอิสลามเอาเรื่องที่คนชอบที่สุดมาบอกให้รู้ว่าเขาจะได้รับมันแบบสะอาดด้วยแบบสะอาดด้วยแล้นผู้หญิงบางคนจะถามอาจารย์แล้วผู้หญิงแหละเราจะมีนายฟ้าไหมฉันอยากมีมัางเห็นผู้ชายมีนางฟ้าพี่น้องเราก็ลังพูดถึงเรื่องสวรรค์ซึ่งสวรรค์เป็นสิ่งที่เกินจินตนาการอย่างที่บอก พราะว่าได้อธิบายให้เรารู้ในสิ่งที่เรารับรู้ได้คือผมมั่นใจครับต่อให้เป็นผู้หญิงถ้าผู้หญิงได้ฟังว่าผู้ชายจะได้นางฟ้าเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเนี่ยผู้หญิงคิดออกไหมว่าผู้ชายจะมีความสุขขนาดไหนคิดออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพ่อเลาะก็ยกอะไรที่คนทุกคนฟังแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นเหมือนกับที่พ่อเลาะเตรียมนางฟ้าจำนวนมากมายให้กับผู้ชายเป็นความสุข สูงสุดอย่างหนึ่งให้กับเขาได้ผัวล้อย่อมรู้ถึงสิ่งที่ใช้ความสุขกับผู้หญิงทัดเทียมกันแล้วผัเล้อย่อมเตรียมไว้ให้เช่นเดียวกันแต่บางเรื่องต่อให้บอกเราก็ไม่เข้าใจไงมันต้องได้กับตัวเองรดฉะนั้นมุสลิมไม่ต้องกลัวไปผัเล้อเป็นผู้ยุติธรรมเมื่อผัเล้อเตรียมความสุขสุดๆ ข, ขนาดนี้ที่ผู้ชายได้อยู่แล้วเนื้อเต้นฮงย่อมเตรียมความสุขที่ทัดเทียมกันไว้หรือว่ามากกว่า ให้กับเวลามุสลิมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเสีเรียดครับผมเพราะนั้นเตียงที่อยู่สูงเนี่ยมีครอบครัวมีแต่คนรักเราอยู่ลายร้อมเต็มไปหมดแล้วอยู่ในที่สูงอีกต่างหากไม่ใช่แค่นั้นครับว่าอัควาบุมเมาดูอาสุบฮานะอัลลอฮจะมีความผาสุกอะไรอีกละ่ะอยู่ในที่สวนที่งดงาม สูงแล้วก็มีตาน้ําแล้วก็มีที่พํานักที่เป็นเตียงที่หลากหลายให้เราได้นอนเอกเหนีกอย่างมากมายแล้วก็มีแก้วน้ําต่างๆที่ถูกเตรียมไว้พร้อมพร้อมเสิร์ฟอะไม่ต้องคิดแต่พี่น้องคือพี่น้องลองคิดดูเราไปงานไหนเราไปพักที่ไหนแล้วก็มีน้ําเตรียมไม่เต็มไปหมดขอกลับไปคุยเรื่องโรงแรมต่อบางโรงแรมถ้าเกิดเป็นโรงแรมแบบที่เตรียมดีๆหน่อยเขาก็จะมี เสิร์ฟดิ้ใช่ไหมมีเครื่องดื่มที่ว่าเตรียมต้อนรับคือพอเข้าไปในโรงแรมปุ๊บมีเครื่องดื่มตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วในสวรรค์มันยิ่งกว่านั้นนะพอเราพมณนักนคือเครื่องเครื่องดื่มทั้งหมดนี่คือลายร้อมเต็มไปหมดรสชาติไม่ซ้ำกันแต่ทั้งหมดนี้คืออรอร่อยมีความหอมหวานกรีแลวมีความปื้นปีติรอเสิร์ฟให้กับเราโดยที่ไม่มีสิ่งสกรปรกเจือปนเลยมีคนพร้อมเสิร์ฟ อควาบูมเมลดะแก้วต่างๆที่ถูกเตรียมเอาไว้พร้อมแล้วไม่ต้องไปรอเช็ดไม่ต้องไปรอล้างไม่ต้องไปทําอะไรพร้อมให้เราได้ดื่มกินวาเลมาริค um ูมาสฟูฟะมีหมอนอิงเรียงไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลานอนบางทีเราก็ไม่อยากจะนอนแล้วอยากจะเอกเคนเอกก็มีหมอนที่แบบว่ามีความงดงามมีความนุ่มแบบที่เราชอบ มีความสะอาดเกินกว่าที่เราจินตนาการมีความสบายที่ได้อิงยิ่งกว่าที่เราจะคิดได้ว่ามันจะให้ความสบายขนาดไหนไม่ต้องเทียบกับขนเป็ดขนหา่านหรือไม่ต้องเทียบเทียบกับอะไรทั้งสิน้น เ, เลยหมอนต่างๆที่พร้อมให้เราเอก่เอมอยู่แบบสบายท่านอนคือท่าที่สบายที่สุดของอนุษย์พวกเราบอกว่าในท่าที่สบายที่สุดพเราเตรียมสิ่งที่เกินของเกิน ของเกินของเกินจินตนาการเอาไว้มาสฟูฟะพร้อมแล้วมีความสะอาดมีความสะดวกสบายแค่ดูก็มีความสุขหมอนลราเนี่ยแค่ดูปุ๊บก็โออลังการมีความสุขแล้วได้สัมผัสแล้วได้อิงแอบมันจะขนาดไหนร่างกายไม่ได้ไปพักผ่อนยิ่งมีความสุขครับผมพอเล่ากาต่อมาว่าไงครับหลังจากที่บอกว่า วนามาริกุมสฟูฟะวะซารบียูมบสซูซะมีพรมชั้นเลิศที่ปูรอไว้ให้กับพวกเราชาวสวรรค์ที่พวกเราจะเมตตาสุภานะเหรอวะซารบียูมบาซูซะจะเป็นพรมแบบไหนกันพี่น้องเวลาไปดูบ้านที่แบบอลังการเนี่ยทุกบ้านที่ต้องมีเหมือนกันคือต้องมีพรมหลูหลูปู แล้วนี่เป็นสวรรค์เตียงพร้อมที่นอนพร้อมคนรับใช้พร้อมอาหารการกินพร้อมปูพรมที่เลิศหรูที่รอไว้อยู่แาสรมบีนะครับที่ว่าพบเนี่ยลากคำจริงๆมาจากคำว่าอสรอบี้อสรอบี้หรอแสรบีหว่าสรตบิชันเนี่ยครับเป็นเมืองที่เป็นที่ขึ้นชื่อ ในเรื่องของพรมชั้นเลิศคือผมที่ประเสริฐดีที่สุดในโลกเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยพอพูดถึงผมที่มาจากอสุรบีจานเนี่ยก็จะเป็นที่รู้เลยว่าขนเนี่ยสุดยอดแล้วมีพมอย่างนี้นี่คือต้องเป็นระดับไฮโซสุดๆซึ่งมัมเบลซูซาในที่เนี่ยหมายถึงว่ามีการปูเต็มไปหมดเลยมีแต่ความงดงามดูก็มีความสุขเดินสัมผัสก็รู้สึกดีเสียงที่เกิดขึ้นก็เป็นเสียงที่ ยังมาซึ่งความพึงพอใจแล้วไหนจะเครื่องดื่มไหนจะอาหารการกินปาราตาไนลามูนัปซุนมาอกพิยาละหุ่นมินกุรติอะยุนุจเจเซออมบิมาการุยะมาลุนในสุร ส, สัจดาครับผูเรากล่าว่าไงครับไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่เขารู้หรอกว่าพู้รักษาได้เตรียมอะไรไว้เซอร์ไพรสพวกเขาบ้าง เตรียมอะไรเซ r รพรสที่พวกเขายังไม่รู้ตอนนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นแก้วตาดวงใจให้กับเขานี่คือการตอบแทนถึงสิ่งที่เขาทำไว้ในดุญยากลับไปที่ประเด็นเรื่องความเหนื่อยยากนั่นแหละที่เราพูดคุยกันคำถามที่อยากให้เราถามตัวเองมันเหนื่อยใช่ไหมดุญยยาใช่เหนื่อยแต่ว่าที่เราเหนื่อยเนะี่ย เราเหนื่อยเพื่ออะไรเหนื่อยแล้วมันจบในโลกนี้หรือว่าเหนื่อยเพื่อที่เราจะได้ไปพบกับความผาสุกที่แท้จริงในโลกหน้าคนเลือกคือพวกเราตัวเราเองเลือกให้กับตัวของเราจะเสียใจภายหลังก็คือตัวเราจะทุกข์ในภายหลังมันก็คือสิ่งที่พวกเราเลือกให้กับตัวเอง ชีวิตดุนยามันต้องทุกข์ชีวิตดุนยามันต้องทรมานชีวิตดุนยามันต้องเกิดการสูญเสียชีวิตในดุนยามันต้องมีความหวาดกลัวมันต้องมีความเสียใจมันต้องมีความเศร้ามันต้องมีความทุกข์แต่ผลตอบแทนที่งดงามเกินจินตนาการ น, นั้นมีให้แก่ผู้ที่อดทนในดุนยาเพื่อให้ผู้อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุตาดารักแ ล, ล้วก็มีพอใจในตัวเขา ขอให้ทุกท่านมีความอดทนเพื่อพวกรสุภาโนจารอย่างแท้จริงเพราะไม่มีการอดทนแบบไหนอีกแล้วที่จะทําให้พวกรักพวกรส พ, พอพะ้าใยได้นอกจากการอดทนนั้นมีไว้เพื่อให้พวกรส พ, พอพระ้าใยท่านั้นครับก็กับพี่น้องที่รักนะครับพี่น้องที่ทักทายมานะครับผมคุณสนนนีนะครับบอกภูเกเชเช็ตชัดเจนทำเลยละ่ะถึงฝนจะตกต ก, ตกหยุ ด, ห ย, ดหยุดนะนะก็อาจจะทำเลยละ่ะก็ขอพวกรสให้เป็นฝนที่ดีครับผม สำหรับพี่วันนี้นะครับสามาวันคุสามตุลลอห์บาระกาทุกคสีพนะครับสามทุกขาขจามยาก็วันคุณสามตล์บระกาุก์ขอบุสหรับกาลังใจที่มีให้นะครับคุณนัมนุษย์นะครับสารอะตุ้มก็วันคุณสารมตุลลอ์บระกาุครับส่านที่ผมเห็นข้อความขอมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอตอบสารที่รักทุกท่านนะครับวันคุณสารมาตุลลอห์บาระกาทุกสุราตุลกอรชิยะเนี่ยเป็นสุราที่อ่านแล้วอาจจะมีส่วนที่ทำให้รู้สึกน่า แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งสวร้อที่ให้กำลังใจกับพวกเราเป็นอย่างดีพี่น้องเตรียมตัวไปรับความผาสุกเถิดให้ดุลยามันเป็นความทุกข์สุดท้ายของเราให้ความทุกข์ความเศร้าความกลัวความเสียใจการสูญเสียมันจบแค่ดุลยาผ่านดุลยาไปในสภาพที่โล่ง อ, อกอยาผ่านดุลยามาไปในสภาพที่มีความหวาดกลัวครับผม คุณเฉียสลมาจากกะบี่วันคุสละมาพุ่งลอวบารกาตครับผมก็สำหรับนี้ก็ได้แก่เวลานะครับิชลล้อพวนี้เราคงจะมีกาได้กลับมาพูดคุยกันอีกนะครับก็อกีฮวสักบุลลฮีเบลกุมวะลิาอิลมุสลิมีนามินุลิะัสักรุอินนุฮฺวะลักฟุลอัลราฮิมซุบฮันะลลอฮ์มาริฮัมดิกะอัลฮ์ฮ์อัลลาฮีลาอินนตะอัลสักบรุกะวะตูบุลัยครัสละมาไรตุมาุ่ลอวรกต